ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตาตปาพปุพพสิกขาและบุพพสิกขาวันน า, นาพระอมาราธิรักิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาสรเจนาต่อไปก็จะเป็นการแสดงเรื่องของการพันานาทุกตาบัตจะแสดงในประเภทแห่งทุกตาบัต ทุกตาแบบนั้นว่าโดยอาคตะฐานะก็คือที่มาโดยยอดจะมีสองก็คือมาในบาลีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติอย่างหนึ่งเรียกชื่อว่าบาลีทุกกฏมาในอัตถกถาพ้นจากบาลีพระสังคีติกาจาร์ผู้รู้พุทธาธิบายตั้งไว้อย่างหนึ่งเรียกชื่อว่าบาลีมุตตกัดทุกกก็คือที่พน้นจากพระบาลีหมายถึงท่านอัถกาจาร์ทั้งหลายท่านก็รู้นย ว่าปฏิบัติแล้วมีอบบติตอบได้ก็คืออวิทุกกฎสำหรับบารีทุกกฎที่มาโดยที่มานั้นโดยอาคตะฐานะจะมีห้าอย่างด้วยกันก็คืออย่างแรกมาในเสกยะเรียกชื่อว่าเสกยะทุกกฎซึ่งก็จะมีที่บันัึกไว้โดยสุขบดมีเจ็ด้าข้อแต่ว่าจริงๆที่ต้องศึกษานั้นมีมาก อย่างที่สองก็มาในนิทานแห่งสิษยาบทเรียกชื่อว่านิทานทุกกฎอย่างที่สามมาในวินีจตวัตถุแห่งปราชิกและสังคณิเศษเรียกชื่อว่าวินีจตวัตถุทุกกฎก็ตัวอย่างอุทาหรณ์ทั้งหลายอย่างที่สี่ก็มาในวิพัง์แห่งปราชิกเป็นต้นเขาเรชื่อว่าวิพังคะทุกกฎบทจำแนกต่างๆอย่างที่ห้ามาในมหาคันธกะเป็นต้นเขาเรียกชื่อว่าคันธกะทุกกฎ เพราะฉะนั้นตัวที่มานี่ตามพระบาลีก็มีห้าอย่างอย่างที่ว่ามาแล้วมาดูอย่างแรกก็คือเศควิญญาณทุกกฎมาในบาลีแห่งเสควิญญาณศาบททั้งหมดเจ็ดิบห้าดังกล่าวแล้วในเศควิญญาณอย่างที่สองก็เป็นนิทานทุกฎมีแค่สองข้อนิทานทุกกฎข้อหนึ่งก็คือมาในนิทานแห่งทุธิยาปาราชิกว่าพระองค์เห็นพระธัญเถระทานดีแล้วด้วยดินล้วน ตรัสสั่งให้ทิกษุทั้งหลายไปต่อยเสียแล้วทรงบัญญัติไปว่านาจากพิขเวส บ, บะมติกามะยากูดีกาตับบาแปลว่าทิกษุยาพึงทํากุดีแล้วด้วยดินล้วนถ้าทําต้องทุกข์กดแม้ได้กุดีดินล้วนที่ผู้อื่นด้วยศิคราบททําไว้แล้วอยู่ในกุดีนั้นเป็นทุกข์กดแท้แต่เจือด้วยเครื่องทัพพระสัมภาระหรือเจือด้วยของอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามควรอยู่ แล้วด้วยดินตัวนั้นอย่างเดียวไม่ควรแม้กุดีนั้นเขาตามสังเกตว่าเป็นศึกด้วยอิดควรอยู่เพราะพระองค์ตรัสสั่งให้พิสุไปต่อยเสียนั้นแม้ทุกวันนี้พิสุเป็นผู้สูตรรู้วินยัยเห็นพิสุอื่นถึงเครื่องบริขารที่ไม่ควรเที่ยวอยู่ถ้าตัดต่อยเสียเองหรือให้ผู้อื่นตัดต่อยเสียซึ่งบริขารนั้นเธอนั้นผู้เจ้าของติดเตียนไม่ได้อย่าพึงโจทย์เธออย่าพึงให้เธอระลึก จะกล่าวว่าบริขารของเราท่านทำชิพหายเสียจงใช้เราดังนี้ไม่ได้ในที่นี้ต่อไปในอรรถาธาท่านวินิจฉัยกัปปิยากัปปิยะบริขารเป็นบาลีมุตตะดังกล่าวแล้วในปริขารรัตถาข้อหนึ่งพระองค์ทรงบรรัญญัติไว้ในนิทานแห่งสุรุสุรุสิขาบทว่านาทิคเวบุตังวาธรร ม, มังวาตั้งคังวา อารัพะดาโวกาวตะโบแปลว่าที่สุย่าปรารบพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์ทำเป็นพูดเย้ยเล่นโดยปริยายอันใดอันหนึ่งเป็นต้นว่าพระพุทธอะไรพระมักตื่นนอนและไม่ตื่นนอนพระทรรอะไรพระทรรมโคพระทรรแพะสมว่าหมูหมูอะไรหมู่เนื้อหมูสัตว์ของเลี้ยงถ้าเธอใดทำพูดเย้ยเล่นดังนี้ต้องทุกตก์อันนี้ก็เป็นนิทานทุกต ต่อไปก็จะเป็นวินิจตวัตถุทุกฏวินิจตวัตถุทุกฏนั้นได้กล่าวแล้วบ้างในก่อนให้พึงรู้ในคําที่กล่าวอ้างว่าพระองค์ทรงบัญญัติไว้ในวินิจตวัตถุนั้นเถิดที่เหลืออยู่ข้อหนึ่งในวินิจตวัตถุแห่งทุติยปราชิตรงห้ามไว้ว่าเท็กตุอยาพึงว่ากับพิจุด้วยกันว่าท่านว่ากล่าวฟังเราเราจะว่าตามคําท่าน ถ้าเธอใดพูดไม่ชัดความอย่างนี้ต้องทุกข์กดแต่คำโปริเฉดก็คือกําหนดกล่าวให้ความชัดออกไปว่าท่านสั่งเราเราจะถือเอาสิ่งนี้ตามคํำของท่านดังนี้ควรอยู่ข้อหนึ่งสงห้าไว้ว่าพิจูอย่าพึงกล่าวกับพิจูด้วยกันว่าเราว่ากล่าวสั่งท่านท่านจงว่ากล่าวตามคําเราถ้าเธอใดกล่าวไม่ชัดความออกไปดังนี้ก็ต้องทุกข์กดเหมือนกันในสองข้อนี้กําหนดกล่าวให้ชัดออกไปเป็นต้นว่า เราสั่งท่านให้ถือเอาของสิ่งนี้ท่านจงไปถือเอาของสิ่งนี้ในที่แห่งนั้นดังนี้ควรอยู่ด้วยว่าเท่านี้จึงพ้นความอุปมารังพะกด้านไปพูดตามคําพูดตามคาอย่างนี้นี่มีอัตบข้อหนึ่งในวินิจตวัตถุแห่งตติยาปาราชิกทรงห้ามไว้ว่าภิกษุอย่าพึงทําตนให้ตกลงคือโจรเหวตายเป็นต้นถ้าให้ตกดังนี้ต้องทุกข์กด ใช่แต่ยาให้ตนตกไปอย่างเดียวก็หาไม่อย่าพึงให้ตนตายด้วยความเพียรอันใดอันหนึ่งแม้อื่นโดยที่สุดแมด้วยการอดอาหารเสียด้วยว่าแม้ผู้ใดเป็นไข้เมื่อยาและคนอุปถามีอยู่อยากจะตายตัดอาหารเสียเป็นทุกข์กอดแท้แต่ผู้ใดอ า, าพาธใหญ่ชักลากมานานที่สุดทั้งหลายผู้อุปถามลำบากหรือเบื่หน่ายถ้าเธอนั้นคิดว่าอาตภาพนี้แม้ปฏิบัติไปก็ไม่ตั้งอยู่ เพรีสูทั้งหลายทอยลำบากด้วยและเธอตัดอาหารเสียไม่เสพยาควรอยู่แต่เธอตัดอาหารเสียด้วยคิดว่าโรคนี้กล้าอายุสังขารจะไม่ตั้งอยู่และความได้คุณวิเศษดูเหมือนอย่างกะถึงมือว่าจะถึงมืออยู่แล้วดังนี้ควรแท้แม้ไม่เป็นไข้เกิดความสังเวชขึ้นคิดว่าเที่ยวแสวงหาอาหารเป็นความเนื่องช้าเราจัดประกอบกรรมาฐานอย่างเดียว และตัดอาหารด้วยกรรมฐานศีษะคือหัวข้อแห่งกรรมฐานไปเที่ยวบินไปบาานฉันนี่เสียเวลาถึงหลายชั่วโมงไม่ต้องฉันนะ่ะเพนกรรมฐานเฉยเลยดีกว่าดังนี้ก็ควรตัดอาหารเสียเพราะทรัพยากรความได้คุณวิเศษในควรด้วยว่าบอกเล่ากันแก่ที่ถูกเป็นลัทธิซึ่งเป็นสภากันจึงควรมันจะมาอวดอ้างคุณเสอดโคชโนตอาหารได้วันสองวันแล้วจะได้คุณวิเศษอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้ไม่ควร ข้อหนึ่งในวินี่ตวัตถุแห่งจตุดถป g ราชิกทรงบัญญัติไว้ว่าเพกยุอย่าตั้งใจจะให้เขาสระเสริญ น, นับถือในพระอรหัตหรือในเสขะภูมิแล้วอยู่ป่าถ้าอยู่ด้วยความปรารถนาดังนี้ต้องทุกข์กดปรารถนาเช่นนั้นคิดจะไปอยู่ป่าเดินไปเป็นทุกข์กดทุกทุกวาระเท้าทุกย่างก้าวเลยปรารถนาเช่นนั้นไปอยู่ในป่าในกิจทั้งปวงเป็นต้นว่า ทำกุดีเดินจงกรมนั่งนุ่งโหมเป็นทุกข์กอดทุกประโยคน์เพราะเหตุนั้นยาอยู่ป่าไม่ปรารถนาอย่างนี้ด้วยว่าอยู่อย่างนี้จะได้ความสรเสริญก็กตามไม่ได้ก็ตามต้องทุกข์กอทั้งนั้นแต่เธอใดสมาทานทุดงแล้วคิดว่าจะรักษาทุดงหรือคิดว่าอยู่ใกล้บ้านจิตฟุ้งสร้างป่าเป็นที่สบายหรือคิดว่าจะถึงวิเวกทั้งสามอันใดอันหนึ่งในป่าเป็นแน่ หรือคิดว่าเข้าไปป่าแล้วไม่ถึงพระอรหันต์จะไม่ออกหรือคิดว่าการอยู่ป่าพระพุทธเจ้าตรรเสริญเมื่อเราอยู่ในป่าเพื่อนสามพรมจารีเป็นอันมากจะพลอยละเสนาสนะใกล้บ้านเป็นผู้อยู่ป่าด้วยกันหวังจะอยู่ไม่มีโทษดังนี้เธอนั้นพึงอยู่เถิดข้อหนึ่งอย่าพึงเที่ยวบินทบาตและจงกรมแนะยืนแนะนั่งและสําเร็จการนอนด้วยความปรารถนา ด, ดังนั้น ถ้าเธอใดปรารถนาดังนั้นแล้วเที่ยวบินธบาตเป็นต้นต้องทุกกดคิดว่าจะจัดอาการเป็นต้นว่าก้าวไปเที่ยวบินทบาตด้วยความปรารถนาดังนั้นตั้งแต่นุ่งห่มไปจนฉันแล้วเป็นกกทุกกดทุกทุกประโยคจะได้ความสรรเสริญก็ตามไม่ได้ก็ตามเป็นทุกกดแท้แต่เที่ยวไปเพื่อบินธบาตด้วยมารยาทเป็นต้นว่าก้าวไปถอยกลับ ที่น่าเรื่อมใสเพื่อจะบำเพ็ญขันธกะวัตและเสกียวัตให้บริบูรณ์หรือเพื่อจะให้เพื่อนสักรมารีถึงทิพทานุคติเห็นเป็นตัวอย่างไม่มีโทษนักปราดไม่ติเตียนแม้เดินจงกรงเป็นต้นก็มีอย่างดังกล่าวแล้วนั่นแลวินี่ตวทุกทุกกฎต่อไปจะเป็นวิพังคะทุกกฎก็แลในวิพังคทุกกมีมากคือจำแนกออกเป็นตั้งสิบอย่าง ยาตาทุกโกรบ้างอย่างแรกนั้นยาตาทุกโกรอย่างที่สองยัตติทุกโกรอย่างที่สามอนุสาวระทุกโกรอย่าที่สี่อนัตติทุกโกรอย่างที่ห้าวิมติทุกโกรอย่างที่หกสัญญาทุกโกรอย่างที่เจ็ดยะถาเขตตาทุกโกรอย่างที่แปดยะถาวัตถุทุกโกรอย่างที่เก้ายะถาประโยค้ทุกโกรอย่างที่สิบยะถาวัชชะทุกโกรอันนี้ก็เป็นทุกโกรที่มาในวิธังทางทุกโกรแต่ว่าแยกมาเป็นสิบอย่าง ยาตัดทุกกดนั้นดังที่จุได้เห็นหรือว่าได้ยินที่จุอื่นพยายามเพื่อจะทําลายสง์เป็นต้นแลเห็นหรือได้ยินที่จุอื่นมีทิฏฐิผิดดังอริฏฐาที่จุและไม่ห้ามต้องอบัตทุกกดทุกกดนี้เรียกว่ายาตัดทุกกดรู้แล้วไม่ห้ามเป็นทุกกดเพราะรู้และไม่ห้ามเนี่ยอบัตทุกกดต่อไปยติทุกกดนั้นดังที่จุพยายามเพื่อจะทําลายสงเป็นต้น สมธรรมสมนุภาพชน ก, กรรมจบยติลงไม่มาละกรรมอันนั้นเสียต้องทุกข์กดส่วนสมนุภาพจะ้าดถ้าสวดครั้งแรกจบยติไม่สลักต้องอับับทุกข์กดส่วนนั้นสาวนายสองครั้งไม่สละกก็ต้องอับดับถุนจัยสวดครั้งที่สาไม่สละก็เป็นสังฆาฏิเศษสวดจบครั้งทสามถึงอับดับสังฆาฏิเศษนั้นสาวนายสองครั้งเป็นถุรจใจ ถ้าเป็นอย่างอื่นบางครั้งก็มีอย่างอริยธรุนี้ก็มีการเสด็จประกาศสามครั้งการเสประกาศห้ามถคำว่าจบสาครั้งแล้วต้องมาบัดต้องไม่ชนะต้องบัดปฏิตีก็ต้องดูแต่ละที่ว่าอาบัติอะไรมีการเสด็จสมณุภาพของพิุนีอบัติปราจิตก็มีส่วนในสมณุภาสนะกรรมในสังคาทานิเศษเมื่อจบอนุสาวนะที่สามต้องครุ ก, กาบาัตคือต้องบัดสังฆิเศษแล้วระงับไปเองส่วนในสมณุภาพอื่นไม่กล่าวว่าระงับ ในสูงภาติอื่นเนี่ยยกเว้นในเรื่องของสังไหตเศษถ้าสังไหตเศษเนี่ยทุกกฎที่ต้องตอนตรวจยติไปแล้วก็ระ ง, งับไปถือว่าพอตรวจจบอนุโสรณะใช้าสามแล้วอนุโสนาะครั้งแรกใช้สองเนี่ยจบการใ้สองต้องอบับทุรยัยก็ระ ง, งับไปทช้าสามก็บัดสังไหตเศษมาแทนแต่ว่านอกจากนั้นก็ไม่มีการระ ง, งับถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องสังคายเศษอนุสาวรณะทุกกฎนั้นดังที่สุมีทิฏฐิผิด สงส่วนสมนุภาานะจบอนุสาวนาที่หนึ่งที่สองลงก็อบัตทุกกฎอันนี้เรียกว่าอนุสาวนาทุกกฎอานัตติทุกกฎนั้นดังพิจุใช้นางพิสุณีผู้ไม่ใชยา่าให้สักจีวันเก่าต้องทุกกฎด้วยบังคับก่อนเป็นตัวอย่างอันนี้ก็อานัตติทุกกฎทุกกฎเพราะว่าสั่งบังคับวิมิติทุกกฎนั้นดังผ้าอจเตจีวรยังไม่ล่วงสิบวันพิจุสงสัยอยู่และบริโภค ต้องทุกกฎสงสัยเพราะสงสัยเป็นตัวอย่างก็สงสัยวิมติทุกกฎสงสัยแล้วคืนินนใช้สัญญาทุกกฎนั้นนางพิสูจน์สำคัญว่าหญิงในบรรดาจับต้องด้วยความกำหนับตอดีแต่จับต้องบรรดาด้วยความสําคัญหมายว่าเป็นหญิงแต่ว่าไม่ใช่ถ้าจับต้องบรรดาด้วยสําคัญว่าเป็นบรรดาเนี่ความหมายถูกต้องต้องมาถูกใจจับต้องหญิงสําคัญว่าเป็นหญิงต้องมาสงเวยเสดแต่ว่า จะต้องในบรรดาสาคัญว่าเป็นหญิงนี่สาคัญผิดเพราะฉะนั้นก็อาบัดตามสัญญานั้นจะต้องอาบัตดทุกกฎเรียกว่าสัญญาทุกกฎถ้าอาจิระจีวรยังไม่ร่วมสิบวันสําคัญว่าร่วมสิบวันแล้วก็เอามาบริโภคอีกอันนี้ก็เป็นทุกกฎด้วยสัญญากรเรียกว่าสัญญาทุกกฎยถาเพียต่อทุกกฎนั้นดังที่สูตสรรเสริญหรือว่าติเตียนอวัยวะหญิงแต่รากขวัญขึ้นไปแต่เข้าลงมา ต้องทุกดกตามเขตเรียกว่ายถาเขตตทุกฏกไปสรรเสริญหรือว่าติดเตียนอวัยุิงเนี่ยตั้งแต่ราศขัญขึ้นไปหรือว่าตั้งแต่เข่าลงมาต้อบัดทุกฏแต่ถ้าเกิดไปสรรเสริญตั้งแต่ราศขวัญลงมาตั้งแต่ไหาปราร ล, ลงมาหรือว่าตั้งแต่เข่าขึ้นไปก็ต้องบัดทุนลใจยกเว้นวิยาเพศนะถ้าไปสันเสริญวิยาเพศเดี๋ก็ต้องบัดสมทายเศษต่อไปยถาวัตถุทุกฏนั้น นางทพิสุจะต้องตายบุรุษด้วยความกำหนัดต้องทุกกดตามวัตถุเป็นตัวอย่างยถาวัตถุนี้ก็หมายถึงตามวัตถุอะไปจับต้องบุรุษก็บัดทุกกจับต้องสตรีตตถถ ก, ก็บัดสังขาริเศษจับต้องบันดาก็าตา้องบัดถุรจัยยถาประโยคทุกกฏนั้นดังได้ในบุคภาพประโยคแห่งปาราชิกและสังขาริเศษและปริจิตีนางพิสุมีเตยจิตจับต้องรูปธรรมของผู้อื่นต้องทุกกด ยถาประโยชทุกกฎเป็นทุกกฎเพราะว่าตามประโยคนยถาวัชชทุกกฎนั้นดังพิโตอวดอุตริมุสธรรมโดยปริยายผู้ฟังไม่รู้ความในขณะนั้นต้องทุกกฎตามโทษเป็นตัวอย่างเป็นทุกกฎตามโทษยถาวัชชะวัชชะไปว่าโทษไปอวดอุตริมุสธรรมโดยปริยายแต่ว่าเขาฟังไม่รู้ความด้วยถ้าฟังรู้ความก็บรรทุดใจถ้าบอกตรงๆก็บรรสัศน์พิเศษถ้าบอตรงๆแล้วเขาก็ไม่รู้ความอีก อันนี้ก็ยังไม่เป็นประชิกในขณะนั้นถ้ขาขปัทุจัยไปอันนี้เขาเรียกว่าวิพังฆาตทุกกฎวิพังคาตทุกกฎต่อไปก็จะเป็นขันธกะทุกกฎขันธกะทุกกฎนี้ได้กล่าวแล้วในก่อนบ้างให้พึงรู้ในพระบัญญัติที่กล่าวก่อนไม่ได้อ้างที่มาแล้วเป็นขันธกัทุกกฎสิ้นที่ไม่ได้อ้างเนี่ยเป็นขันธกะทุกกฎทั้งนั้นนะที่ต่านแสดงมาที่ยังเหลืออยู่ ข้อใดควรจะรู้จะต้องปฏิบัติบ้างจะกล่าวข้อนั้นโดยสังเกตข้อหนึ่งพระองค์ทรงบัญญัติไว้ว่าคนประกอบด้วยอาพาธห้าอย่างคือโรคปุถุงังนี่แก่ตกเตือนฝีปลากผืดบ้าหมูอย่าคุณให้บวชข้อหนึ่งว่าคนอันพระเจ้าแผ่นดินเลี้ยงเป็นข้าราชการอย่าพึงให้บวชพวกราชพัฒน์ตรงนี้นะข้อหนึ่งว่าโจรปรากฏดังทงอย่าพึงให้บวชมีชื่อเสียงพวกโจรนี้ปรากฏชื่อเสียงเนี่ยไม่ให้บวช ข้อหนึ่งว่าโจรทำลายตารางหนีมาข้อหนึ่งว่าโจรอันพระเจ้าเด่นดินประกาศไปว่าเห็นเข้าที่ไหนให้ฆ่าเสียข้อหนึ่งว่าโจรเขาซีด้วยหวายทำธนกรรมแล้วข้อหนึ่งว่าคนเขากระจัดลักษณะเสียเป็นต้นว่าตักหน้าผากเสร็จแล้วทำธนกรรมแล้วข้อหนึ่งว่าคนเป็นลูกหนี้เขาข้อหนึ่งว่าคนเป็นทาสเขาข้อหนึ่งว่าบุตรที่มารดาบิดายังไม่ได้อนุญาต คนเหล่านี้อย่าพึงให้บวชถ้าเธอใดให้บรรดชาให้บันดาชาคนเหล่านั้นเป็นสามเณรต้องทุกกอดให้บวชเป็นสนามเณรต้องรบาด ท, ทุกกอดบวชเป็นพระก็ต้องระบาดด้วยแหละข้อหนึ่งคนมือด้วนคนเท้าด้วนคนด้วนทั้งมือทั้งเท้าคนหูขาดคนจมูกขาดคนขาดทั้งหูทั้งจมูกคนก้ามมือขาดคนนิ้วด้วนคนเอ็นขาดคนนิ้วติดคนค่อมคนเตีย้ยคนคอพ่อคนเปรีย้ย คนเท้าโตคนโรครามกเป็นต้นว่าฤิศดวงคนประทุตร้ายบริษตรเพราะมีรูปแปรเพื่อนคนบอดข้างเดียวคนง่อยคนกระจอคนข้างหักคนอิริบทขาดคนแก่ทุรพลคนบอดสองข้างคนใบ้คนหนวกคนทั้งบอดทั้งใบ้คนทั้งบอดทั้งหนวกคนทั้งใบ้ทั้งหนวกคนทั้งบอดทั้งใบ้ทั้งหนวกคนเหล่านี้พิจูอย่าให้บรรบชาถ้าเธอใดให้บรรบชาแก่คนเหล่านั้นต้องทุกกด บัณฑ์ต่อคนรักสังวาสบัณฑ์ต่อก็คือกระเทยคนรักสังว่าสนี้ก็คือคนที่ถืออาตีวอนไปบวชเองแล้วก็ยินดีสามิจิกรรมนับศรรษายินดีการกราบไหว้ลุกรับต่างๆแล้วก็เข้าร่วมทําสังฆกรรมด้วยเลยนะเขาเรียกว่ารักความเป็นอยู่คือความเป็นอยู่ร่วมกับพิจวุทั้งหลายทำบุโบตดจําปราวนาสัางฆกรรมต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าคนรักสังวาสเป็นพระราชิกเลยนะเข้ามาบวชไม่ได้คนเป็นพิจตุอยู่แล้วแต่เข้ารีบเดร ถ, ถี หรือว่าสัดจะฉดานคนช่ามารดาคนท่าบิดาคนช่าพระอรหันต์ปทุศร้ายนามภิกษณุณีคนทําลายสงฆคนขิตปทุสร้ายทาโรหิตในกายของผู้พุทธเจ้าให้ห่อขึ้นคนสองเพศพวกอุบตร ะ, ตระจัญชนกมีทั้งเพศหญิงเพศชายคนเหล่านี้แม้บวชก็ไม่เป็นอุปสมบัญถ้าบวชเข้าพึงให้ศึกเสียเพราะเป็นประชิกในตัวอยู่แล้ว ข้อหนึ่งคนไม่มีอุปชาอย่าพึงให้อุปสมบทเป็นพิสูข้อหนึ่งอย่าเอาสงเป็นอุปชาข้อหนึ่งอย่าเอาคณะเป็นอุปชาข้อหนึ่งอย่าเอาบรรดาะเป็นต้นเป็นอุปชาถ้าพิสูตรใดเอาคนเหล่านี้เป็นอุปชาให้อุปสมบทแก่กุลบุตรเป็นทพิสูต้องทุกกดข้อหนึ่งคนไม่มีจีวรข้อหนึ่งคนไม่มีบาข้อหนึ่งคนไม่มีทั้งบาทั้งจีวรอย่าพึงให้อุปสมบท ข้อหนึ่งยายืมบาทข้อหนึ่งยายื้มขีวรข้อหนึ่งยายืมทั้งบาททั้งขีวรให้อุปสมบทถ้าพิสูตใดให้อุปสมบทกุลบุตรขึ้นเป็นพิสูตดังนี้ต้องทุกกดข้อหนึ่งทรงอนุญาตไว้ให้อัปโลกบอกสงเพื่อทำพันธุ ก, กรรมคือโกนผมคนผู้เพ่งบรรชาวิธีอัปโลกสังเกตดังนี้ให้ประชมุมพิสูุรซึ่งอยู่ในสีมาแล้วก็พาผู้เพ่งบรรชาไปในที่ประชุมนั้นแล้วพึงกล่าวว่า สร้างทางพันเตอิมัสธารกัสทะพันดูกัมมังอาปุชามีแปลว่าข้าพเจ้าบอกพันธุกรรมแห่งคารกนี้กะพระสงค์ดังนี้สองครั้งสามครั้งหรือครั้งเดียวก็ได้แต่ผู้ใดปรมผมใหม่หรือว่าศึกใหม่หรือว่าเป็นนิโครนเป็นต้นเป็นต้นอยู่หรือเป็นคนมีผมอันหย่อนกว่าสองนิ้วและเพียงสองนิ้วก็ดีกิจซึ่งจะโกนผมแห่งคนนั้นไม่มี เพอเหตุนั้นแม้จะไม่บอกพันธุกรรมและจะให้คนเช่นนั้นบรรพชาก็ควรแต่ผู้ใดมีผมยาวเกินกว่าสองนิ้วโดยที่สุดแม้ทรงไว้มาดว่าเปียแยมอันหนึ่งก็ดีพึงบอกพันธุกรรมก่อนจึงให้ผู้นั้นบรรพชาข้อหนึ่งจะทำธนการาลแต่สามเณร ย, ยาพึงทําการกลางกั้นอารามสงทั้งปวงสามเณรอยู่หรือว่าเข้าไปในที่ใดพึงกลางกั้นแต่ที่นั้นข้อหนึ่งจะทำการกลางกาาามมั้นอาหาร คือห้ามไม่ให้ฉันข้อหนึ่งไม่บอกอุปชากรอย่าทําการกลางกั้นถ้าเธอใดทําการกลางกั้นแก่สมณเณรดังนี้ต้องทุกกฎข้อหนึ่งอย่าเรียกกล่อมบริษัทแห่งผู้อื่นเพื่อทําการอุปทานตนด้วยคําว่าเราจะให้บาจีวรแก่ท่านเธอใดเคลียรกล่อมดังนี้ต้องทุกกฎบริษัทแห่งชนอื่นจะเป็นสมณเณรหรือว่าอุปสมบันิก็ตามโดยที่สุดแม้เป็นบริษัทแห่งพิสุทธิ์ศีล จะยุยงให้แตกถือเอาไม่ควรแต่จะแสดงโทษว่าท่านอาศัยคนทุศีนอยู่ทำเหมือนอย่างมาหวังจะอาบน้ำกลับเอาคูดทาตัวเหมือนกันดังนี้ควรอยู่ถ้าผู้นั้นรู้เข้ามาขออุปชาหรือนิสัยเองจะให้ก็ควรข้อหนึ่งไม่ให้พิกิุอื่นทําโอกาสต่อนอย่าโจทย์เธอด้วยอาบัตถ้าเธอใดโจดดังนี้ต้องทุกข์กฎ ทรงอนุ ญ, ญ, ญาตให้ขอโอกาสก่อนว่าโรตุเมอิยัสมาโอกาสั่งอาหังตังวัตตุกาโมดังนี้ผู้มีอายุจงทําโอกาสแก่ข้าข้าจะกราบกับท่านดังนี้แล้วจึงโจทย์ด้วยอบัตจงในขอโอกาสก่อนนี่โจทย์ตัองอ้งบททุกบ ก, ก็ต้องให้เขาให้โอกาสด้วยแหละถ้าเขาไปขอโอกาสแล้วเขายังไม่ทันให้โอกาสแล้วก็โจทย์นมีอบัตเหมือนกันข้อหนึ่งยาทรงทันทะคือไม้ยาวสี่ตอก และสาแรลกเธอใดทรงทันทะและสาแรลกต้องทุกกดเป็นไข่ปราศจากไม้ทันทะคือไม้เท้าที่เที่ยวไปไม่ได้พระองค์ทรงอนุญาตให้ขอทันทะสมมุติแต่สงเป็นไข่เว้นสแหลกเสียบริหารรักษาทาบาดไปไม่ได้พระองค์ทรงอนุญาตให้ขอสิ ก, กาสมมุติแต่สงก็คือสาแรลกถ้าเป็นไข่เว้นขอทั้งสองอย่างนั้นเที่ยวไปและพาบาทไปไม่ได้ พระองค์ทรงอนุญาตให้ขอทันทะสิกาสมมติแต่สงได้สมมุติสิ่งใดแล้วว่าใช้ของสิ่งนั้นได้ข้อหนึ่งคานมีของห้อยทั้งสองข้างอย่าพึงหาหามนําไปถ้าเธอใดหาดหามนําไปต้องทุ ก, กข์กดคานมีของข้างเดียวเอาของห้อยกลางสองคนหามหรือว่าทูลศรีรษะกระเดียดทิ่วเหล่านี้ถ้าองค์ทรงอนุญาตข้อหนึ่งเมื่อผู้อื่นไอาจาม อย่ากล่าวว่าท่านจงเป็นอยู่จงรอดอยู่ถ้ากล่าวดังนี้ต้องทุกข์กอดพระรหผู้ปราถนามงคลเขากล่าวกะพิจูว่าท่านจงเป็นอยู่และจักกล่าวตอบว่าท่านจงเป็นอยู่สิ้นกาลนานดังนี้ควรอยู่ด้วยทรงอนุญาตให้กล่าวอันนี้ก็เป็นขันธะทุกข์กอทุกตตาบัตเหล่านี้มาในบาลีดังกล่าวแล้วจึงชื่อว่าบาลีทุกข์กอดบารีทุกตัตาจบก็แยกเป็นห้าข้อ แยกเป็นห้าอย่างสําหรับบาลีทุกกฎบาลีทุกกฎก็คือเสกียะทุกกฎนิธานะทุกกฎวินีตวัตถุทุกกฎวิพังคัทุกกฎแล้วก็ขันทะทุกกฎส่วนที่เป็นบาลีมุตตกะทุกกฎนั้นได้กล่าวแล้วบ้างในก่อนดังทุกกฎเพราะรักและฉันเนื้อดิดปลาดิดและอนามาทุกกฎแห่งที่สุผู้จับต้องลูกคํารัตนสิบอย่างเข้าเปลือกเจ็ดอย่างและเครื่องดนตรีเป็นต้น และทุรุปะกินนะทุกกฎวินัยะทุกกฎที่ยังเหลืออยู่ก็มีดังนี้ท่านก็จะขยายแหละในบาลีมุตกัะทุกกฎนี้ท่านก็ําแนกชื่อมาสามชื่อก็คืออนามาทุกกฎทุรุปะกินนะทุกกฎก็วินัยะทุกกฎก็บอกว่าข้อหนึ่งอย่าพึงรับข้าเปลือก ด, ดิบข้อหนึ่งอย่าพึงรับไร่นาที่ดินเป็นต้นถ้าทายกผู้หนึ่งกล่าวว่าบึงใหญ่สาเร็จเข้าวกล้าในปีละสามครั้ง ของข้าพเจ้ามีอยู่ขับเจ้าถวายบึงนั้นแก่สงถ้าสงรับบึงนั้นเป็นอาบัติแท้เพราะรับด้วยเพราะบริโภคด้วยแต่เธอใดห้ามเสียเธอนั้นผู้หนึ่งอย่าพึงว่าสิ่งใดกับเธอเลยด้วยว่าผู้ใดโจดเธอนั้นผู้นั้นเป็นอาบัติเพราะเธอนั้นองค์เดียวทำวํำพิจุมากไม่ให้เป็นอาบัติถ้ายกใดแม้กล่าวว่าข้าพเจ้าถวายบึงใหญ่เช่นนั้นที่สุทุ้งหลายห้ามสิว่าไม่ควร ถ้าเขาถามว่าเบืงของสงอันนุนก็มีอยู่นั่นทําไมถึงควรเล่าจึงตอบเขว่าเชรอยเขาจักทาให้เป็นกัปปิยะถวายถ้าเขาถามว่าถวายอย่างไรจึงเป็นกัปปิยะจึงตอบว่าเขาถวายว่าท่านจงบริโภคปัจเจศีดังนี้จึงเป็นกัปปิยะถ้าทายกนั้นกลับถวายว่าดีแล้วท่านจงบริโภคปั จ, จเจศีเถอดังนี้ก็ควรถ้าแม้เขากล่าวว่าท่านจงรับเบืง ห้ามเขาถือว่าไม่ควรเขาถามว่ากับยกระกมีหรือไม่บอกว่าไม่มีเขาว่าคนชื่อนั้นจากพิจารณาบึงนั้นหรือว่าจากอยู่ในมือของคนนั้นหรือว่าจะกอยู่ในมือของขาาา้าพเจ้าสงจงบริโภคของที่ควรเธอดังนี้ก็ควรอยู่ถ้าแม้ห้ามเขาถือว่าไม่ควรที่ตุห้ามเนี่ยว่าไม่ควรดังนั้นเขากล่าวว่าคนทั้งหลายจะได้บริโภคน้ํจาจะได้ล้างของเนื้อนกจะได้ดืม่ม แม้ดังนี้ก็ควรถกลงแนละ้วถวายไม่เป็นก็ไม่เป็นไรอ่ะใครๆจะมาได้ล้างของจะได้บริโภคน้ําเนื้อนกจะดื่มน้ําสงจะดื่มก็ไม่มีปหาอะไรอันนี้ก็ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันถ้าแม้ห้ามเขาถือว่าไม่ควรดังนั้นแล้วเขา ว, ว่าท่านจงถือเอาด้วยกับยักศรีศรษะเถิดจักกล่าวว่าดีแล้วอุบาสกก็ได้นะญาติโยมเขาบอกว่าถวายไม่เป็นอนะ่ะท่านก็ถือเอาให้มันเป็น ก, กับยักษ์ก็แล้วกัน บอกว่า ด, ดีแล้วอุบาสกสงจักได้ดื่มจักได้ล้างของเนื้อนกจะได้ดื่มดังนี้แล้วแลบริโภคก็ควรถ้าแม้เขาถวายว่าข้าพเจ้าถวายบึงหรือว่าสบโขครรณีของข้าพเจ้าแกสงทิสุจ็จกะกล่าวว่าดีแล้วอุบาสกสงจะได้ดื่มน้ําดังนี้เป็นต้นแล้วแลบริโภคก็ควรแทนก็เถือด้วยกัตถิยะได้แต่ถ้าทิสุ ข, ขอหัตกรรมเขาก็ดีและขุดแผนดินเป็นกัตถิยะด้วยมือของตนก็ดี ทำเป็นบึงบ่อเพื่อจะบริโภคน้ําถ้ามนุษย์มาอาศัยบึงบ่อน้ําสําเร็จเข้ากล้าแล้วให้กับพิยพันธุ์ในวิหารควรอยู่เพราะจุดนี้จะขุดดินที่เป็นกัปยะนี้ได้ดินที่เป็นพวกทรายพวกกรวดไม่มีดินร่วนมากมีดินรุ่นน้อยอันนี้ก็ได้ทำให้เป็นบ่อน้ําก็ทําบริโภคน้ําได้ในที่นี้อาจเป็นาถาจารย์กล่าวพิดารแต่ความสังเกตว่าจะทําไร่นาเองและให้ผู้อื่นทําไม่ควร บึงบ่อที่เขาถวายเพื่อปัจจัยสี่รับไว้จะตั้งกัปยาการรกไว้ควรอยู่แต่จะทำการขุดดินพูนขอบเป็นต้นไม่ควรบึงบ่อที่รับไว้เพื่อบริโภคน้าจิตบริสุทธิ์จะทำการขุดดินและพูนขอบขึ้นใหม่ด้วยกัปยะววหารควรอยู่แต่เห็นขงมาอาศัยทำเข้ากล้าจะตั้งกัปยะการรกไว้ไม่ควร เขากล่าวว่าท้าพเจ้าถวายไร่หรือว่าที่ดินเป็นที่ปลูกถัวงาอ้อยมะพร้าวเป็นต้นพึงห้ามือว่าไม่ควรและปฏิบัติดังกล่าวแล้วในบึงนั้นเถิดเมื่อใดเขากล่าวด้วยกับยิ่งูหานว่าท้าพเจ้าถวายเพื่อบริโภคปัจเจศีเมื่อนั้นพึงรับเถิดแต่เขากล่าวว่าท้าพเจ้าถวายหมู่ไม้ถวายป่าอันนี้ควรอยู่ถวายป่าถวายหมู่ไม้นี้ได้แต่ถวายไร่นาอะไรพวกนี้ไม่ได้ เขาอาศัยที่ทําข้าวกล้ากล่าวว่าข้าพเจ้าถวายสีมาดังนี้ควรแต่ยาปักเสาปักสีมาเพื่อจะกําหนดแดนเองห้ามไปทําเองเพราะว่าแผ่นดินหาราคานี้ได้จะพึงเป็นปาราชิกเสียด้วยของเล็กน้อยพึงบอกคนรักษาวัดว่าสีมาของเราไปตามที่นี้ถ้าแม้คนรักษาวัดปักเอาเกินไปก็ไม่เป็นอบับดับเพราะว่ากล่าวโดยปริยาย พิว่าพระเจ้าแผ่นดินและมหามาตย์เป็นต้นท่านให้คนปักเสาเองแล้วถวายว่าท่านจงบริโภคปัจเจตีดังนี้ควรแท้ข้อหนึ่งอย่าพึงรับทาตหญิงชายและโคแพะช้างมา้ากระบือไก่ จ, จุกรเป็นต้นเขากล่าวว่าท้าเจ้าถวายทาตอันนี้ไม่ควรเด่นอากาศยาวุหาน เมื่อเขากล่าวาาว่าทท้าวจ้าถวายคนรักษาอารามถวายเวิทยวชิชกรถวายกับยยากโรกดังนี้ควรอยู่อันนี้ก็รับได้ถ้าควรรักษาอารามนั้นทําการแห่งสงทั้งเวลาเช้าเย็นทิศตูพึพงทําการปฏิบัติ ด, ด้วยยาทั้งป่วงแก่เขานั้นดังสามเนเินเถิดถ้าควรรักษาวัดนั้นทําการแห่งสงแต่เวลาเช้าเวลาปัจฉาภัฒทาการของตนทํางานของตนเอง เวลาเย็นยพิกุกยาพึงให้เครื่องเลี้ยงอย่าไปให้อาหารวัตถุอะไรต่างๆแม้คนรักษาวัดทําการคือทํางานแห่งสงฆ์เป็นเรืห้าวันหรือว่าครึ่งเดือนในการงานนอกนั้นทําการงานของตนพึงให้ข้าวสุกและเครื่องเลี้ยงแก่เขานั้นแต่ในเวลาทําการสงฆ์อย่างเดียวเวลาไหนมาทํางานของสงฆ์ก็ให้อาหารอะไรต่างๆได้ถ้าการสงฆ์ไม่มีเขาไปทําการงานของตนเลี้ยงชีพอยู่ ถ้าเขาเอามูลค่าหัตกรรมมาถวายพึงรับเถิดถ้าเขาไม่ให้อย่าพึงกล่าวสิ่งใดเลยจะรับธาตุเป็นช่างย้อมและธาตุเป็นช่างทอหูคู่ดใดคู่หนึ่งด้วยชื่อว่าอารามิกะคนรักษาอารามหรือว่าโยมวัดควรอยู่แล้ว ถ, ถวายธาตนี้บอกว่าไม่ได้นะโยมเป็นอัคคปิยะอุหานถ้าเขาบอกว่าเอาแล้วถวายยังไงล่ะคนนั้นก็มาถวายก็ว่า ย, ยังไงก็บอกว่าถวายคนวัดถวายอารามิกะถวายโยมวัดอย่างนี้ก็ควรอยู่ ถ้าเขากล่าวว่าขับเจ้าถวายโคพึงห้ามเขาถือว่าไม่ควรเขาถามว่าโคเหล่านั้นมาแต่ไหนเล่าพึงบอกว่าคนฉลาดเขาถวายเพื่อปัญจโครถเมื่อเขากล่าวว่าขับเจ้าถวายเพื่อปัญจโครถด้วยดังนี้ก็ควรอยู่แม้ในแทะแกะเป็นต้นก็เหมือนกันอย่างนั้นเขากล่าวว่าขับเจ้าถวายช้างถวายมา้าระบือไกสุกรจะรับไม่ควรถ้ามนุษย์บางจํพวกกล่าวว่าท่านทั้งหลายจึงมีความขวนขวายน้อยเถิด ข้าพเจ้าจะถือเอาตัดเหล่านี้ไปแล้วให้กับยะพันแก่ท่านแล้วเขาถือเอาไปก็ควรไกสุกรจะปล่อยในป่าว่าจงเลี้ยงชีวิตตามสบายเถิดดังนี้ควรอยู่เมื่อเขากล่าวว่าข้าพเจ้าถวายบึงเหมืองนี้ไร่นานี้ที่ดินนี้แก่วิหารจะห้ามเสียไม่ได้ถ้าเขาถวายวิหารนี่เดีถวายสง่์ถ้าถวายสง่์นี้ต้องห้ามว่าไม่ควรแต่ถ้าถวายวิหารนี้จะไปห้ามไม่ได้ต้องเป็นสมบัติของวิหารไป ต้องการพิจารณาจงดูในทุติยธรรมนตะปาง า, าธิกาเถิดนั่นก็ไว้แค่นี้ข้อห้ามตั้งแต่ไร่นามานี้พระอธิกาาจารย์อาศัยบาลีในพระสูตรเป็นต้นว่าเขตะวัตถุปฏิฆะนาตั้งไว้ก็คือไม่รักพวกนาไร่ที่ดินอะไรต่างๆนี้ก็อาศัยข้อความในพระสูตรแต่ว่าในพระวินัยโดยตรงนั้นไม่มีหรอกอธิกาาจารย์ต้องอาศัยแนวพระสูตรมาว่าไม่ควรเป็นาบัติทุกก อันหนึ่งทุกตาบัตรไม่ได้มาในบาลีแต่เป็นอนุโลมแห่งทุนรัจยาบัตรเป็นต้นพระอาจารย์ตั้งไว้ก็ชื่อว่าบาลีมุตสกะทุกฏดังพิกจูตัดองค์ชาติของตนต้องทุล จ, จัยตัดอวัยวะอื่นเป็นต้นว่าหูจมูกนิ้วมืออันใดอันหนึ่งหรือทําทุกเช่นนั้นให้เกิดขึ้นก็เป็นทุกฏแต่อวัยวะที่งูและบุ้งกัดเป็นต้นหรือว่าอพาธอื่นเมื่อตัดอวัยวะหรือว่ากรอบรอหิต ไม่เป็นอบัตอันนี้เพื่อรักษาเพื่อเยียวยาอันหนึ่งในนางพิกษุนีเป็นปัจจิตีในพิสุพระอ า, าจารย์กล่าวว่าเป็นทุกฏดังพิกสุทิ้งอุจจาระเป็นต้นภายนอกฝานอกกำแพงและในไร่นาดังกล่าวแล้วก่อนเหล่านี้จะเรียกว่าบาลีมุตตกัทุกฏ ก, ก็ได้ที่เหลืออยู่ยังไม่ได้กล่าวก็ยังมีดังการทิ้งอุจจาระปัสวะพวกขยะอะไรต่างเป็นนอกฝานอกกำแพงนี่ก็ ของพิคุณีก็เป็นภารตีของพิกคุก็เป็นทุกกฎข้อหนึ่งว่าพิกคุให้สมณกีวรคือผ้าควรนุ่งห่มได้ที่ทํากระปะแล้วแก่สัตหัสบรรพชิตผู้ใดผู้หนึ่งอื่นฟ้นจากขาธรรมิกห้าและมารดาบิดาเป็นทุกกฎผ้ากีวรนนี่ที่ควรวิกักอธิษฐานที่ทํากระปะแล้วเนี่ยนะไม่ควรเอาไปให้ผู้อื่นยกเว้นขาธรรมิกแล้วก็พ่อแม่ขนาดบรรพชิตอื่นไม่ได้ทั้งนั้น สถานให้แก่มานดาบิดาและให้คนอื่นเป็นของยืมอันนี้ไม่มีอบัตก้อหนึ่งอีกพิกตุไปเพื่อจะดูเรือนเป็นที่ประพาสเล่นแห่งพระราชาแณเรือนศาลาซึ่งวิจิตด้วยลายเขียนและสวนเป็นที่รื่อน -dom และสวนอุทยานและสระ บ, บุครณีเหล่านี้ซึ่งเป็นที่เล่นสนุกเมื่อเดินไปเป็นทุกขดทุกก้าวหยุดยืนในที่ใดไม่ยกเท้าขึ้นแลดูแม้ซึ่งที่ทั้งห้าในที่นั้น เป็นอาบัตทุกกฎตัวเดียวถ้าเลียวไปดูในที่นั้นๆเป็นอาบัตนับด้วยประโยคที่เบือนคอไปดูไม่นับด้วยการหลับตาแล้วดื่มขึ้นนะมีกิจเป็นต้นว่าสลากกรพัดแนไปก็ดีและไปเพราะอันตรายก็ดีไม่เป็นอาบัตอันนี้ก็ของภิจูนเป็นอาบัตทุกกแต่ของพิภณีก็แบบปิตรีเหมือนกันไปเที่ยวเล่นที่เขาก็เถินอะไรต่างบุทรยาสา บ, บอกรณี อันหนึ่งแม้ทุกกฎเพราะใช้อากพิยบริขารบางสิ่งดังกล่าวแล้วในปริขารคาถาจะกล่าวว่าเป็นบาลีมุตตะทุกกฎด้วยก็ได้นี่ก็บาลีมุตตะทุกกตังจบทุกกรตาบัตซึ่งพนานามานี้จะหมดสิ้นเชิงทีเดียวก็หาไม่กล่าวแต่ข้อจะพึงรู้จะพึงปฏิบัติและจะมีแจ้งข้างหน้าบ้างเพราะทุกกรตาบัตมีมากดังนี้จึงไม่มีกำหนดทุ ก, กตะวันน า, น า, นาจบ ทุกกฎในอัตถกถาทุติยาปราริชิตท่านแสดงทุกกฎแปดอย่างเอาไว้มาจากพระบาลีพุทธพจน์แล้วก็ทั้งอัตถกถาประมวลมาเป็นบาลีมุตตะทุกกฎรวมกันมีตาชื่อด้วยกันรู้จักชื่อไว้ก็ดีพระเทรสทั้งหลายเนี่ยประมวลชื่อทุกกฎแปอย่างนั้นมาแสดงไว้ในที่นี้ก็คืออันแรกก็ บุพพประโยคทุกกฎบุพพประโยคทุกกฎประโยคในที่ทำกองประโยคกระกองไอ้สองสหประโยคทุกกฎอันที่สามอนามาตทุกกฎอันที่สี่ทุรุปจินนะทุกกฎอันที่ห้าก็วินัยะทุกกฎอันที่หกยาตะทุกกฎอันที่เจ็ดก็ยัตติทุกกฎอันที่แปดก็ปฏิสัตวะทุกกฎเพราะฉะนั้นที่มาตาบาลีก็มีอะไรบ้างก็มียาตะทุกกฎแต่ยัตติทุกกฎอันนี้มาในบาลี นอกนั้นก็เป็นอสุกถาออกมาดูว่าทุกกฎแปดอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจตรัสไปนี้ว่าพิกษุมีทายจิตเที่ยวแสลงหาเพื่อนจอบหรือว่าตะกล้าก็ตามเดินไปก็ตามต้องอบัตทุกกฎอันนี้ชื่อว่าบุพผภิญโยคทุกกฎจริงอยู่ในพระตํารัสที่ตรัสไวน้นี้ในฐานะแห่งทุกกฎก็เป็นทุกกฎในฐานะแห่งปัจจิตีก็เป็นปัจจิตีโดยแท้ นี่ก็เป็นบุพพะประโยคทุกกฎทุกกฏที่พระองค์ตรัสไว้ดังนี้ว่าที่สุตัดไม้หรือถาวัลที่เกิดอยู่บนพื้นดินนั้นต้องอบัตทุกกฎนี้ชื่อว่าคหาประโยคทุกกฏในพระดาดาที่ตรัสไว้นี้วัตถุแห่งปาจิตตีและวัตถุแห่งทุกกฎก็ตั้งอยู่ในฐานะแห่งทุกกฎเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะการลักนั้นเป็นไปพร้อมกับความพยายามก็คือถ้าไปตัดต้นไม้ที่มันอยู่บนหม้อขุมทรัพย์ขณะนั้นนี่เป็นอบัต ทุกกฎเท่านั้นเพราะว่าเป็นไปพร้อมกับความพยายนเรียว่าสหประโยคทุกกฎแต่ว่าถ้าอยู่ไกลจากเม้าขุมทรัพนั้นเด็ตัดต้นไม้เอามาทำเป็นเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่เป็นด้ามมีดด้ามปานอะไรพวนี้ก็อาบัตะตัจิตตีอันหนึ่งทุกกฎที่พระองค์ตรับไว้แก่พิสูจผู้จับต้องรัตนสิกย่างเข้าเปลือกเจ็ดย่างและเครื่องอาวุธเป็นต้นทั้งหมดนี้ชื่อว่าอานามาสทุกกฎอานามาทุกกฎ ทุกกฎที่พระองค์จับไว้แก่ภิกษุผู้จับต้องบรรดาผลไม้ทั้งหลายมีกล้วยและมะพร้าวเป็นต้นผลที่เกิดในที่นั้นนี้ชื่อว่าธุรพจินนะทุกกแต่ จ, จับผลไม้เล่นต่างๆอันหนึ่งทุกกฎที่จับไว้แก่ภิกษุผู้เที่ยวบินธบาตไม่รับประเคนหรือว่าไม่ร้างบาตรในเมื่อมีผงธุรีตกลงไปในบาตรรับภิกษาในบาตรนั้นอันนี้ก็เป็นวิเนยะทุกกฎเป็นวินัยทุกกฎไม่รักษาวินยัย เมื่อมีทุระิบตกลงในบาศก็ต้องล้างบาศหรือรับประเคนใหม่ทุกกฎที่ว่าพวกพิสุได้ฟังเรื่องตเกียกตะกายเพื่อทําลายสงแล้วไม่พูดต้องอบัติทุกกฎนี้เรียกว่ายาตัทุกกฎรู้แล้วก็ไม่บอกคนอื่นทุกกฎที่ตรัสไว้ว่าเป็นทุกกฎเพราะยัตติในบรรดาสมนุภาพสิบเอ็ดอย่างนี้ชื่อว่ายัตกกย ต, ติทุกกฎเมื่อสวดประกาศยัตติแล้วไม่ตรัสคืนก็อับดับทุกกฎ ทุกกฎที่ตรัสไว้ว่าดูกกฎพิสูจน์ทั้งหลายวันจำพรรษาต้นของพิสูจนนั้นไม่ปรากฏและเธอย่อมต้องอาบัตทุกกฎเพราะรับคำนีิชื่อว่าปฏิสัททุกกฎไปบอกเขาไว้แล้วว่าจะมาจำพรรษานี้แต่ว่าไม่จำนะล่วงเลยไปวัดอื่นเพราะฉะนั้นก็เป็นอาบัตทุกกฎเพราะว่าปฏิสัทธไม่ได้เป็นมุสาวาเพราะไม่ได้ตั้งใจมุสานะแต่ว่าไม่ทําให้เหมือนกับที่ตนเองกล่าวไว้ก็เป็นปฏิสัทธทุกกฎ อันนี้ก็เป็นทุกข์กฎแอย่างที่อัจฉริยะท่านแสดงไว้ในทูติยป า, าอาจฉริกในทินาทานสิกขาบทต่อไปก็จะเป็นทุพพาสิตาบัตจากพันานาในทุพพาสิตาบัตพิสูกน์แกล้งพูดหลอกล้ออุปสัมบันิและอนุสัมบันิจะเป็นพิ ส, สูจหรือว่าสามเดีหรือว่าเคล็ดัดประตามด้วยอากโกสัตว์สิทธิวัตถุาห ร, รับด่าตระนัมีชาติเป็นต้นแต่ว่าพูดเพื่อล้อเล่นเพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อความโกรธอะไรต่าง เป็นอาบัตทุพภาติวิทยาไฉนอกนั้นให้ถึงรู้ดังโอมสวาทะิกขาบทนั้นเถอดก็มันอยู่ในข้อย่อยขององค์สวาส่าอย่ในข้อเดียวกันดาปิจุแต่ว่าถ้าด่าเพื่อเล่นเพื่อสนุกสนานพวกนี้ก็อาบัตทุพพาสิถ้าด่า จ, จริงจริงด้วยโทสะาาทก็บาปปาสิตตีแปรแต่ทุพภาตตาบัตินี้เป็นธรรมเทศนาสมุตฐานก็คือเป็นสมุติฐานที่ห้าเกิดจากวาจาจิต กิแต่วาจาจิตเป็นกิริยาสัญญามิโมกขจิตตะเป็นวัีกรรมอย่างเดียวอกุศลจิตมีเวทนาสองก็คือสุขและมัทยัเทนั้นมัทยกะก็คืออุเบกานั่นเองทุกภาสิตตะวันน า, น า, นาจบปาติปาติมุขะตับพังตัิยังจบว่าด้วยสิขาบทที่เป็นทางปฏิบัติมากก็ได้ความรู้ในเรื่องของพระวินัยบัญญัติเรื่องของอาบัตเรื่องของข้อวัดต่างๆ มันก็เป็นปัจจัยเพื่อกลูนการดำรงชีวิตความเป็นธรรมณะแก่ความเป็นภิกษุเพราะว่าภิกษุก็ต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวะและศีลก็ขอให้สิกขาบทเหล่านี้จงเป็นปัจจัยเพื่อกูลให้ท่านทั้งหลายมีศรัทธาดำรงรักษาพระธรรมวินัยในศาสนานี้เพื่ออบรมไตรสิกขาเพื่อความยั่งยืนมั่นคงในศาสนาของพระศาสด า, าเพื่อทำให้ศาสนานั้นจะตึงรุ่งเรือ ง, องทั้งภายในตนและภายนอกก็ขอให้ได้บรรลุ อริยมรรคอริยผลโดยตัวการเทินสาธุสาธุสาธุ